เป็นการแสดงธรรมขององค์หลวงตามหาบัวที่มาเยี่ยมเยียนเมตตามาเยี่ยมพระลูกพระหลานมาเยี่ยมวัดของเราเมื่อวานนี้นี่พระนักศึกษามาจากไมฮิโดนครับผมมาบวชที่หนึ่งสิบสิบเอ็ดองค์ครับผม <Yeah. S 2> แล้วก็พระที่ติดตามมาอีกตามไป็นสิบสี่ผมพระไม่สิบสี่องค์ครับผ ม, yeah. Yeah. Yeah. ผมเดี๋ยวนี้นะก็ผมจะนีน หมู่เช่านี่ก็เสเกี่ยวตระองราช ก, การในเมืองมกันมันมีแต่โรคล้วนๆมันไม่มีความหมายนาะรวัามีเลยอะ่ะสำหรับกรุงกงความรู้ที่เดียนมาทางโลกมันเป็นโรค ล, ล้วนๆแล้วกลับมาเป็นไฟเผาตัวเองแล้วเผาส่วนรวมได้ถ้ามันมีทำแท้มีทำแท้ย่อมรู้จักมีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์รู้จักวิธีรักษาตัวอะไรไม่เหนือทําทไปได้เลยอะ่ะถา้าถ้ามีทำตรงไหนเน่ะ จะมีความสงบร่มเงย็นมีขอบเขตถ้าไม่มีทำเลยก็เลือศเปิดเปิเป่เลยความรู้ทั้งหมดก็มันออกมาจากจิตเหลนนี่ให้เป็นความรู้ของทั้งหมดทางโลกมันก็เป็นจิตเห ล, ลนรุนแรงมันก็ไปแตแบบจิเหลนข้างน่างใหญ่ไปเท่าไหรก็ยิ่งทิฏฐิมานาสูงน่นการาพูดตัวมองดูโลกมีเหมือนว่าเขาเป็นสัตว์ไปหมดเป็นคนแต่เราคนเดียวน่น แต่นั่นน่ะกิเล่มันเบ่ง้าสตมาไม่เบ่งมองดูการเหตุการผลคิดถูกช้อดีละเว้นอะไรถูกอะไรดีแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นว่าอะไรผิดจะ้ยกเว้นงวดเว้นงวดเว้นไปเลยนี่ ก, การรักษาตัวก็ปลอดภัยปลอดภัยเป็นคนดีไปตลอดตั้งแต่วันนี้ตื่นนอนถึงหลับรักษาตัวไปตลอดวันหน้าวันหน้ารักษาแบบเดียวกันก็เป็นคนดีไปตลอดตลอด ถ้ามีทำแทรกมีอารักขาไปตลอดข้าไม่มีทำแทรกอันตรายไปตลอดนั่ น, น, นยิ่งนี่อันตรายทําให้คนลืมเนื้อลืมตัว <c oughs> ถ้าทําแล้วไม่ลืมยึดจักความบางทุกอย่างยิ่งยิ่งตนจะตายเท่าไหร่ทำมากยิ่งยิ่งออกนะั่นเดี๋ยวนี้นะอ ย, อย่างตอนเช้าถูกเช้าเลยพอเทศที่วัดฝ่ามันตามมันจะออกเพราะประเทศไทย แล้วก็นอกจากนัดออกข้อโลกด้วยเป็นประจําเลยเพอพอพูดในปากมันมันออกเลยเนี่ยมีเครื่องรับที่ทวัคนะคิความันกาดผลสงสารโลกใครก็ใครไม่มีใครว่าใครโม้นะมีแต่คนฉลาดฉลาดความฉลาดเป็นความฉลาดของคนของที่เมันก็มีแต่คนโม่แหละสินันะมันจะมีความฉลาดอะไรถ้าถ้าว่าฉลาดก็เอาตัวให้รอดด้วยความ ทุ่มเย็นเป็นสุขทั้งเขาตั้งเราเฉลี่ยแพร่แพร่ให้ทั่วถึงกันผู้ใหญ่ผู้น้อยรักกันได้ชน้งคนเราถ้าไม่ดีแล้วเป็นอะไรม้ามันก็ไม่รักหรอกมันไม่นับถือเป็นเชื้บุตรเวราชพรมมาคนก็ไม่กลัดมอย่างมีช่ำเด็กมองดูเด็กก็น่ารักเนี่ยผู้ใหญ่ก็น่าเคารพจงใจน่ากราบไหว้บูชานั่นเป็นงันธธรรมอยู่ที่ไหนจะดีไปหมดมันไม่ดีอยู่กับความรู้วิชา ล้วนๆที่เราเรียนมานะาเข า, า, ามีธรรมเขาแทรกเขาแทรกเดวกของลูกเหล่านั้นจะดีขึ้นเป็นอลำดับแล้ว ท, ทั้งมีธรรมเขาแทรกสำคัญที่ทำนะมีได้เรียนหมดแล้วนี่ยปฏิบัติเรื่องอะไรเรื่องธรรมเรืไม่ได้เรียนมากเพราเกิดกับโลกอยู่แล้วสัมผัตสัมพันตลกดเวลาจะ ว, ว่าเรียนมากเรียน น, อน้อยใครจะว่าใครจะมีใครไม่ได้นะอยู่เกิดกับโลกมันจะไม่สัมผัสโลกจะสัมผัตอะไรที่เนี่ยจะเป็นโลกอยู่แล้วนะ มันแสดงว่าเมื่อไหนทั้งเขาทังเราเมื่อไหรเห็นกันทั้งวันทั้งคืนต่ว่าไม่เลียนได้หรืลโลกอะไรมันเลียนมาด้วยกันนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เลือนโลกเป็นจะเลี้ยงเอาออกมาการแจ้งคือสนาม่างที่ชุมนุมชนเส่นเอาความรู้นั่ น, ค ว, น, นความรู้นี้ออกมานะ่ยไอ้ความรู้ที่สมบัตัสมพันธ์มีอยู่กับทุกคนเกี่ยวกับโลกนั่นแต่ว้าอะไรอนะมันก็พอๆกันถ้ามันมีธรรมก็แทรก มีทางพอแท้มันรู้รู้มียิง่งชวนจะตายเท่าไรธรรมายิ่งออกเพหูกเูดเนจริงบอกคงๆงอย่างแท่ทุกวันเนี่ยเวลเาเด็กธรรมะเด็กๆนี่ออกเปิดออกอะไรจนนะโรกนี้ชั่วโรกระแมีที่ไหนมีความสุขเอามาแข่งกันนะสามเรนโรกระสมีเลยเอาเฉพาะอย่างยิ่งโรกมนุษย์เรา บ้านได้เมืองได้ที่ว่าเจอมเลันจะเริ่มด้วย общем, m, Angst, uh, ส, <emie> สื่อด้วยไฟด้วยอํานาจบาตรลวงป่าเกลื line, no way, ่อนเกลือนอิจฉาการร้อนเรื่องยิ่งจอมของทั้งนั้นนั่นความรู้ประเภทนี้หรือจะทําให้โลกเย็นไม่มีมีแต่ร้อนเห็นไหมลบลาค้าพันนั่งอยู่ทุกวันก็ออกจากที่เล็ว่าตัวใหญ่แล้วเนี่ยมีหามีดคูน้อยคูน้อยมันก็มีหัวใจมันเจ็บมันแสบได้เหมือนกันนั่นแล้วกอดครูให้ก่อนมันเป็นอย่างนั้น มันไม่มีความสุขในโลกเลยเนี่ยถ้ามันมีธรรมถ้ามีธรรมเนี่เอาอยู่ที่ตรงไหนสบนงบร่มเย็นอาจจะมีเงินทองก็ของรถไฟแต่เรามีธรรมเต็มหัวใจสบายเลย น, นัย่นหรือมีธรรมความหัวใจไม่ไม่ถึงเต็มใจก็าตามเราก็สบายสบา ย, บายอยู่ที่ไหนสะดวกสบายกินได้ขัดข้องตีในเป็นสื่อไปหัวใจเป็นความเย็นเป็นน้ําเป็น่าอย่างนี้มันเย็นนะเนี่หลยที่นามาหมดแล้วเนี่ย ที่ได้พูดอย่างเต็มปากวยกามที่ผ่านมาบนเวทีระหว่างกิเลสกับฟ้าดันด้วยที่ตักภาวนามันจึงได้เห็นชัดเจนถึงเรื่องกิเลสเรื่องธรรมเพราะฉะนั้นเป็นผู้ได้อย่างเต็มปากไม่เคยดโดนกระทันกับผู้ใดเลยเพราะอยูนี่มันบรรจุทั้งทั้งโลกทั้งธรรมแต่ก่อนนั้นไม่มีธรรมก็มีบรรจุแต่โลกคือกิเลสปัญหาจนหัวใจเวลาทําแท้เข้ามาแท้เข้ามาก็เป็นผู้แข่งกันไปเรื่อยคัดเรื่องได้กึงดีชั่ว นี่นักเขาน่าเข้าทำมีกําลังมากกับทําร่ายสิ่งนั้นเร็วที่เร็วได้ตรงไหนอ๋อเนี่ยกระจ่างขึ้นมากระจ่างขึ้มามีเวลามันเต็มที่แล้วมันจ้าไปหมดเลยนี่โลกมันมืดไปหมดอันนี้จ้าไปหมดมันจะไม่ดูกันได้ขนาดนาดั้นไงนั่นเรื่องทำไปยังไงนะหนี้พุ่นจริงๆผมหมดสงสัยในสามเดือนแรเนี้เคียดม่าหาว่าความมีความสุขที่ตรงไหนมันไม่มี ข้าพุธมีธรรมในใจมีจทรรมในตึ้งขั้นเป็นตอนนั่นแหละผู้มีความสุขว่าจะถึงขั้นอรัตภูมิผางทั้งเจ้าไปหมดเลยโลกสะลดเป็นไปอั น, นอันนั้นเป็นบรมสุขตลอดพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านสอนโลกโลกทั้งหลายเป็นโลกที่เป็นสุนันไปเดือดร้อนกันทั่วโลกดินแดนนะพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเป็นบรมสุขท่านสอนโลกด้วยบรมสุขท่านไม่เป็นถูกกับโลกนี่นะมันต่างกันผู้หนึ่งมีธรรมผู้หนึ่ง มีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟมันตามกันอย่างนงนะี้นะต้องตั้งอกตั้งใจบฏิบัติตัวเวลานี่ขึ้นกองที่งหญ่จนแทบมองไม่เห็นมนุษย์นะมองหาตัวมนุษย์ไม่เห็นเห็นแต่ยิ่งใหญ่ครอบของมนุษย์ู่เป็นฟืนเป็นไฟเป็นตามไปหมดความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้สูงต่ํำแตกชั้นกันไปลงลึกแรงๆหงวัวใจมันคือไปอยู่ที่ตรง น, นั้นเอาทั้งจับเข้าไปรู้หมดเลยเนี่ย เพรา ะ, ะ่าใคยว่าใครเก่งใครดีาาายามาว่าจะมาอวดทำนะวะทํ า, าทเห็นหมดนะแะเนี่ยมันมีแต่คนตาบอดด้วยกันมันก็โอ้หัวชนต้นเสาไปเลยเอยเพราะตาบอดเขาก็บอดแล้วก็บอดชนกันไปอย่างนั้นนไงคนตาดีไม่เคยชนเลยไม่หีกได้เนี่ยอะไรดีเลยช่วงก็ลูกหมดนั่งทําไปอย่างนั้นนะอย่ว่าโยอใข่ผู้มีธรรมว่าง่ายเลยไม่ว่าครแล้วว่าไม่ว่าพระนะ ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ถ้ามีทําในใจมีสัมนมีส่วนที่จะอบรงปิดตัวได้มีความสุขสงบอย่างใจได้ตามที่ทํามีอยู่ความในใจิตใจมากน้อยถ้ามีมากเท่าก็ยิ่งเย็นเท่านัมีมากจะเข้าโลกธาตเลยไม่มีเรื่องทุกวางงานอย่า ง, งม่วนสามโลกธานมันอยู่กับหัวใจมันมีกิเลสสังหานั่นะผู้ที่กิเลสแล้วทุ่มาจากไหนทุเกิดมาจากกิเลสเป็นผู้สร้างขึ้นมากิเลสเป็นสาเหตุ ถูกมันเป็นผลคีอรับจากที่เดชผิดขึ้นมาเมื่อกี้ตัวหนึสาเห็นสร้างถูกมันมันขึ้นสร้างไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นถูกเพราะงานพาระหนักพระพุทธเจ้าสอนโลกจะไม่สอนเดยมีความถูกน้อยมีจะบรมมาสุขด้วยร้อนร้อนฉะนบริหาหน้าเขาเข้าทางวัดทางวาทางศีลต่างๆด้วยความจัดกวมินด้วยความตั้ ง, ง, งใจแล้วตายขึมาเปรามนุษย์เรา ว่าเนี่ยเราเราพูดอย่างนี้ภาษาธรรมพูดอย่างโงไปโงมาเลยมันมีธรรมแล้วเปิดออกเปิดออกในจิตใจแต่ทุกร่อหาหาหานอะไรเนี่ยเรื่องโลกวันนี้โลกวันนี้จังเศรษฐีก็มีทุกประาเส้นใจก็มีแต่ภายในจิตใจขอให้มีธรรมในใจนั่นแหละเศรษฐีธรรมเศรษฐีธรรมก็เศรษฐีแห่งความสุขอยู่ตรงนั้นนะไม่ได้อยู่ที่จมบัติเป็นทองนะโยกเขาไม่โยงกันใคคนคนใด คนยามีมากมีน้อยเอานั่นมาประดับตัวเองไม่มีอะไรในตัวก็เอาสิ่งภายนอกมาประดับเอายอดขามานประดับเอามีความรู้ที่หมายวันลมลมแรงแรงมาประดับเอาสมบัติเงินทองก็ของมาประดับประดับแล้วก็สวยงามสง่างามไปด้วยสิ่งประดับขราน่าถ้าสิ่งนั้นตก อ, อกไปแล้วตัวเหลือแต่ซากกระดูกโครงกระดูกเป็นประโยชน์อะไรน่ะถ้าทําแล้วอะไรจะขาตัวบเข้ามาตามทำนี้มันเป็นอยู่ในหัวใจ พอดีพอยิพอดีอดสงโร่มเย็นไ ม, ไม่ไม่บกพร่องทํำถ้ามีธรรมมากเทาไรยิย่งเป็นเศรษฐีธรรมเศรษฐีธรรมหนาแ น, นา่นยิ่มาทีนี้ทุกอยู่ที่ไหนไม่มีมีอยู่ที่หัวใจหัวใจก็ธรรมะธรรมธรระออกเรื่อยๆมันจะมาจากไหนทุกทุกชาติจะมีแต่ บ, บรุษมทรรคท่านั่นนะแต่พระธรรตจามยานาค้าลูกภรรยานที่มีโอกาสได้มาศึกษาเราอย่ง า, างเชตนงาต่างๆปฏิบัติการเพื่อหัดตรง น, นั่งอยากดี เหมืกิเลสมันเราจิตเจ้ันเหมือนผู้จ้องหากิเลสถูกมาถูกกิเลสล่าเห็นไม่ทุกเวลาเวละเอาธรรมฝึกล่ากลับมามาปฏิบัติตัวเป็นคนดีต้องฝึกต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้นะพระพุทธเจ้าสรุปถึงสามผมเพลงไงทุงจะไม่ถูกการฝึกฝนเพื่อความเป็นคนดีจงสั้งถึงเลือดเลยถึงกาจตาลาอ์เบกออกไปจากการฝึกฝนโดยงวมเห็นขั้นตลกสาย นี่เราต่อสู้กีที่เลนส์หนาสั้กันให้หนักเลยอดี๋ยเบามือไม่ได้นะอืมแพร่ต้องให้หนักมากย่งเด๋บาลงถึงธรรมะก็ยิ่งหนักขึ้นนะธรรมะยิ่งเด๋ยวเบาลงธรรมะจะเบาไม่จะเบานะอื่ที่เแรกสั้นก็ที่แรกที่ที่เรกมันหนักมันหนาเราก็สั้กันอย่างหนักอันนี้เอยากีเบาบางลงธรรมะนี่แทนที่จะเบาสบายสบายมันไม่สบายเท่าไหร่มันยิ่งพุ่งใหญ่เลย ยิ่งหนักว่าที่ขาดสบ้านไวานั้นหมดเกินพาระอะไรไม่มีวุฒิการความไม่ใจี ย, ยังกระตั้งใจียางนะั่นลงในจุกหัวใจที่บริสุทธิ์เดียวพ อ, ลอแล้วมักพอจบตต น, นงงั้นแล้วไม่ถึงขั้นนันเราขอปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเนี่ยเมื่อไปตื่นลมตื่นแง่งอันนั้นดีอันนี้ดีตื่นอะไรเงี้ยโอ้ยนะยนะแต่ละกูทำะนะ เมื่อวานในตรงกับวันที่14มีนาคม48หลวงตามาถึงใกล้เที่ยงจากนั้นท่านก็ไนพักผ่อนบ้างนิดหน่อยจากนั้นก็ท่านก็ลุกมาแสดงธรรมโปรดพวกเรา ทุกๆองแต่ก็หน้าเสียดายพระบางองค์ที่ไม่ได้มาฟังองค์หลวงตาทั้งที่เราก็เตือนเราก็บอกแล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงองค์หลวงตาจะมาวัดให้เตรียมตนเตรียมตัวให้พร้อมแต่พลที่สุดกิเลสฝ่ายต่ำเหยียบย่ำคอเอาไว้ก็เลยลืมหูลืมตาไม่ขึ้น แต่ตามไม่จริงน่าจะฟังเอาไว้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงองค์หลวงตาหาโอกาสได้ยากพอหลวงตามาโปรดเยี่ยมพวกเราเดือนหนึ่งเพียงครั้งเดียวเราจะคอยเพียงครั้งเดียวไม่ได้กระแสดงว่ากิเลสภายในหัวใจของพระองค์นั้นย่าแย่มากจนมองไม่เห็นแสงสว่างคือคุณงามความดีเราจะพักยังไงก็ได้ เดือนหนึ่งมี365้าวันฟังด้วยว่า365วันในปีหนึ่งหลวงตามาเยี่ยมเพียงส2บสองวันเรายังให้พลาดพลาดโอกาสได้โดยที่ไม่จำเป็นแสดงว่าถ้าเราไม่ใส่ใจหรือว่ า, าเราเป็นพระประเภทอย่างไรไม่ต้องพูดอยากมองหัวใจทะลุ ป, ปูกปวงไปหมดพระแบบนั้นไปนว่าใช้ไม่ได้เพราะนั้นยาให้มี อย่าให้เกิดขึ้นภายในวัดของเราถ้าเมื่อได้ยินแล้วว่าได้ยินเตือนแล้วว่าให้ระวังนะช่วงนี้องค์หลวงตาจะเข้ามาแล้วนะควรจะตื่นตัวทุกองค์อย่าให้ผมได้เห็นที่ว่าขาดตกบกพ้องนอนไม่ตื่นนอนกลางวันจนไม่ได้ยินเสียงะระฆังข้อเนี่ยอย่าให้ได้ยินอย่าให้ได้เห็นอีกแย่มากผมประนามการกระทาอย่างนั้นไม่ใช่ผู้มาหวังดี ไม่ใช่ผู้หวังมาเพื่อจะชำระจิตใจของตัวเองใช่ไม่ได้ให้ฟังไว้ํำนี่นะไม่ใช่ผมไม่บอกผมบอกแล้วว่าชว่วงในองค์หลวงตาจะมาจากนั้นก็ไม่กี่วันหลวงตาก็มาจริงๆเกือบทุกครั้งที่ผมบอกแต่ก็พระเนนพระของเราก็ขาดตก บ, บกพร่องทุกครั้ง แต่นี้เราไม่ได้ตําหนิพระใหม่นะเพราะพระใหม่ ย, ยังไม่รู้แต่ตําหนิพระเก่าในเรื่องนี้ขาดความใส่ใจขาดความสนใจขาดความเอื้อเฟื้อมันขาดไปหมดสรุปแล้วหัวใจมันดําปีปิดปี๋ไม่ได้คิดอะไรมีแต่สมาบ้านอน หมูกินเหมือนหมูอย่างนั้นแหะเพราะฉะนั้นอย่าให้มีในวัดของเรานะควรจะใส่ใจพิเศษสักหน่อยถ้าว่าไม่รู้อีกอย่างหนึ่งอันนี้เตือนแล้วบอกแล้วอในเตือนขณะที่ฉันจังหันอีกต่างหาให้ระวงังนะจนนี้ลงตาจะมาอแล้วก็เตือนเป็นพิเศษก็มีอีกก็หลายครั้งนะกระนาดตำหนิ การได้พบได้เห็นองค์หลวงตาเป็นมงคลหลวงตาอายุเก้าสิบสามปีทั้งอุดทั้งเมตตาอุตสามาเยี่ยมถึงวัดเราแต่พวกเราไม่ให้ความสนใจเสลยเราเป็นใครเราควรจะอยู่อย่างนี้ไหมอ่ามันพูดถึงขนาดนั้นลหละว่างั้นเ่ะฟังนะฟังคำพูด ที่ผมพูดนะ่ยผมน่าตำหนิผมตำหนิอย่างมากการที่ไม่ใส่ใจที่องค์หลวงตามาเยี่ยมแล้วเมินเฉยไม่ควรจะอยู่วัดนี้ช่วยซ้ําไปพระองค์นั้นถ้าไม่ได้ใส่ใจถึงขนาดนั้นผมก็ไม่ต้องการเหมือนกันนะขนาดองค์หลวงตาอายุตั้งเก้าสิบกว่าปีท่านยังอดสาพยายามมาเยี่ยมเยิยนพวกเรามาและอบรมสั่งสอนอย่างน้อยก็ได้ฟังธรรมะจากท่านอย่างพวกเราได้ยินได้ฟังแต่บางครั้งท่านพูด เน้นหนักมากกว่าเนื้ภาคปฏิบัติอันนี้ท่านก็เตือนบอกกล่าวเป็นมงคลสำหรับพวกเราได้ยินได้ฟังอายุของท่าน ถ, าถึงขนาดนี้เห็นไหมการพูดของท่านชัดเจนแจม่มแจม้งขนาดผมอายุขนาดนี้ผมยังพูดไม่เร็วเหมือนท่านท่านพูดจนพวกรอมฟังไม่ทันเนี่ยแล้วว่าความคิดความอ่านเรื่องว่าธรรมะขององค์ท่านนี่ จมแจ้งมากๆเหมือนกนเอะังน้พวกเราพระพวกองค์นะอันนี้ผมเตือนมาหลายครั้งแล้ววันนี้ครั้งนี้เตือนแรงสำหรับพระใหม่ได้ยินหลวงพ่อพูดก็คงจะพูดรุนแรงเพราะหลวงพ่อเตือนมาหลายครั้งเตือนมาเท่าไหร่ก็ยังขาดตกบกพ่องอยู่ยังขาดไปหลายองค์เมื่อคราวที่แล้ว ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็เมื่อวานตอนบ่ายหลวงพ่อเองก็ได้นำพระใหม่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนหลังเขาภูก้อนสรุปแล้วก็คือไปเปลี่ยนบรรยากาศหาสถานที่สงบสงัดนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านเสาะแสวงหาที่สงบสงัด หาที่วิเวกหาที่เปล่าเปลี่ยวเดียวไดอันนี้พวกเรายังไปเป็นหมู่เป็นกลุ่มแต่ถ้าว่าไปเป็นองค์องเดียวหรือสององค์ขึ้นไปอยู่อย่างนั้นรู้สึกว่ามันสถานที่เปลี่ยวอย่างมากแล้วกับการขึ้นเขาก็อย่างที่พวกเราเห็นแต่ตามไม่จริงการขึ้นเขาเมื่อวานผก พูดติดตลกนะหลวงพ่อก็พูดติดตลกว่าเอหลวงพ่อเนี่คิดหนักใจเหมือนกันก่อนที่จะนํานักศึกษาขึ้นมาบนหลังเขาเพราะทางก็อย่างที่พวกเราเห็นถ้าเผื่อว่ารถเสียหลักอะไรลงไปเบรกตรงเบรกแตกอะไรลักษณะอย่างนั้นน่ะขันทรงหลุดอย่างเ น, นีพระนักศึกษาตกเหวตายเนี่ยโอ้โหหลวงพ่อดังทะเลิดเปิดเผิเยนะว่างนั้ไป อืมดังไปทั่วโลกเลยว่านั้นแต่แต่หลวงพ่อคิดว่าอยากจะให้พวกเราได้ทัศนศึกษาสถานที่สงบสงัดพอหลวงพ่อเองเคยขึ้นตามลำพังขึ้นไปบ่อยๆในช่วงนี้ว่างๆหลวงพ่อขึ้นไปพักไปนั่งภาวนาอยู่ตามลำพังก็มีแต่ให้โสร์พักอยู่ส่วนหนึ่ง หลวงพ่อมีองค์เดียวขึ้นไปภาวนาก็มีบางทีหลวงพ่อขึ้นไปนอนบนหลังเขาตรงนั้นภาวนาก็มีเสาะแสวงหาความสงบพิเศษอันนี้คือเป็นสถานที่เหมาะแก่การภาวนาอย่างยิ่งอย่างพวกเราทั้งหลายได้เห็นนั่นแหะจากนั้นก็ได้ลงมาบนเจดีลงมาเจดีมาไหว้พระทำประทักษินเพื่อเป็นสิริมงคลสําหรับพวกเรา จากนั้นก็ได้นั่งปฏิบัติธรรมที่บนเจดีย่างนั้นเมื่อคืนเนี่ยก็ไม่ได้มาประชุมกันที่วัดกลับมาก็3สีทุ่มสามทุ่มกว่ากว่าอันนี้ก็พาไปทัศนศึกษาให้พวกพระนิสิตนักศึกษานักเรียดแพทย์ เพื่อจะได้เรียนรู้ในสถานที่สถานที่ยังไงเรกว่าสัปปายะเสนาสนะสัปปายะอุตุสัปปายะปุขระสัปปายะอาหาระสัปปายะอ่ะอันนี้พวกเราก็ได้ศึกษาตามแนวแถวภาคปฏิบัติแนวพวกเราจะว่านักปฏิบัติฟังน้อยแต่ลงมือปฏิบัติฟังพอเข้าใจ วิธีการทำทำยังไงศีลทำยังไงสมาธิทำยังไงปัญญาทำยังไงศีลสมาธงงิปัญญ า, งง า, ป, ญญาปัญญาขั้นต้นปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นสูงสุดทำยังไงนีพวกเราจะต้องได้เราเรียนจะต้องได้ศึกษาพอศึกษารู้แนวทางแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติอย่างที่ลุงพ่อสอนเมื่อคืนเนี่ย สมาธิทำยังไงปัญญาทำยังไงสมาธิคือทําจิตให้สงบปัญญาใช้การพิจารณานึกอคิดใช้ความคิดนึกอคิดวิปัสสนึกนึกอไปซะก่อนจินตนาไปก่อนแต่จินตนานั้นให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นกระดูกนะมีโครงกระดูกเป็นเป็นหลักนะจริงหรือเปล่า ไม่จริงหรือจริงอันนี้เราก็รู้ว่าร่างกายเป็นมีโครงกระดูกเป็นโครงจริงๆนโครงกระดูกมีลักษณะยังไงพิจารณาตามโครงกระดูกในโครงกระดูกนี้ในร่างกายมีอะไรบ้างอย่างที่พวกเราสวดอัญโงเมกายอยู่กายของเรานี่แหละอันนี้ก็คือวิปัสสนาแต่วิปัสสนานี่ต้องนึก ดูอาการของร่างกายทุกส่วนอันนี้เราบอกถ้าเมื่อเห็นตามความเป็นจริงเราบวิปัสนาเห็นตามความเป็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายแต่ก่อนที่จะเห็นเป็นวิปัสนานะั้นก็ต้องวิปัสสนึกก่อนถ้าจะเปรียบเทียบการทําสมาธิก็ดีการเดินวิปัสนาก็ดีเหมือนกับเขลียรลูกก๊อฟลงหลุมนั่นแหะ การที ja ่จะเกลี่ยลูกกรอฟลงหลุมทำยังไงเขาก็พยายามมีความตั้งใจแต่บางทีมันก็ไม่ตกเกลี่ยไปยังไงมันก็ไม่ตกไม่ตกหลุมแต่บางครั้งพอมมนได้จังหวะมันมันไหลป๊อกตกป๊กเหมือนกับมันง่ายๆการทำสมาธิกับคล้ายๆนั่นะคือบางทีเราพยายามวัดเสี่ยงพยายามทา กำหนดยังไงพิจารณาอย่นนายงไงกำหนดผู้รู้อย่างไงถ้าเราอยากเท่าไหร่ยิ่งไม่เขาแต่พอมันจะเข้าสู่ความสงบเนี่ยมันเหมือนกับลงล็อกกับมันเองตกป๊อกเลยเข้าล็อกการพิจารณาทางด้านปัญญาก็ชิ่นเดียวกันการพิจารณาทบทวนดูทบทวนดูไขควรทบทวนดูมันก็เป็นวิปัสสนา แต่พอมันเห็นตามความเป็นจริงจริงๆมันซึ้งในจิตใจนะอันนี้คือเกิดปัญญามันรู้แจ้งเห็นจริงโอ้ทาไมเราไม่เห็นอย่างนี้มาก่อนบัดนี้เพิ่งมาเห็นเดียวนี้เองว่าที่ทำที่พระพุทธเจ้าสอนแล้ว่าครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเนี่มันจริงจริงจริงรู้จริงจริงจรลึกซึ้งจริงๆเห็นจากใจจริงจริงะอันนี้แหละว่าเกิดเป็น วิปัสสนาหรือปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจแต่ที่แรกมั น, มนเห็นด้วยสัญญาเห็นด้วยสังขารมันไม่ซึ้งนะมันเห็นด้วยปัญญามันจะซึง้งอันนี้ก็ฟังเอาไว้นะสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่เรื่องศีลเราจะมองข้ามไม่ได้ถ้าวศีลขาดตกบกพร่องสมาธิก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติ ในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้ทั้งหมดมีความหมายทั้งนั้นนับตั้งแต่เรื่องศีลการเข้ามาบวชทีแรกท่านก็ให้รักษาศีลก่อนรักษาศีลเสร็จเป็นสัมมาเนยจากนั้นก็อธิบายเรื่องศีลส27ให้ศึกษาให้เข้าใจในศีลสีราจารวัตของตนเองท่า่าเป็นพระภิกษุที่ขาดศีล ดูแล้วไม่สวยงามใจเดือดร้อนไม่สางงามไม่องอาจในเพื่อนสหธรรมิกตาพระขาดสินพิตกกังวลวหวาดผวาไม่อาจฐานไม่กล้าหารเหมือนกับคนจะมองเห็นความผิดของตัวเองอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าว่าผู้มีสินบริสุทธิ์บริบูรณ์อาจฐานกล้าสแสดงกล้าพูดกล้าทำ ในทีส่สาธารณะศินของผุุ้ชนศินของพระอระหันต์อย่างท่านท่านผู้พ้นจากกิเลสแล้วท่านยิ่งเคารพในศินของท่ามากยกตัวอย่างในพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเราท่านได้สาเร็จเป็นพระอระหันต์ชื่อท่านติดสะ ท่านติดส่าเนี่ยท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านไปบินทบาทในกรุงสวัสถีตลอดวันหนึ่งท่านไปเห็นนายช่างแก้วตระกูลหนึ่งคือนายช่างแก้วนันคือเป็นตระกูลที่วัดเจรนัยเพชรนินจินดาแก่พระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าปเสนที่โกสน แปลว่าเป็นในช่างทองในช่างเพชรนินจินดาปร ะ, ประจำํำพระราชสํานักอย่างนั้นแกในหลวงอย่างนั้นแต่สมัยนะั้นคือพระเจ้าเปิดินคือพระเจ้าปัสเสณทีนี้ท่านเห็นพระเถระมีกิริยามานุญาตสํารวมดีมีศีราจรวัตท่านเกาไปบินนบาตกนิมอนต์องค์ท่านมาฉันที่บ้าน มาถึงท่านจะไปฉันไปบินธาบาตได้มาแล้วก็มาฉันที่บ้านสองผัวเมียตายายก็รักเคารพท่านเหมือนญาติผู้ใหญ่ฉันอยู่ที่บ้านของนายช่างแก้วเป็นประจำพอบิณธาบาตมาได้แล้วก็มาฉันที่นั่นบางบางที่กันายช่างแก้วขออารัตนาวันพุนีมาฉันแล้วก็มาฉันในบ้านของนายช่างแก้วเหมือนกับ ไปมาหาสูเหมือนกับออกตนญาติโยมที่สนิทสนมท่านก็ไม่มีอะไรท่านก็เป็นพระอาหารหันต์แล้วในองค์ของท่านท่านมีแต่ความเมตตาสงเคราะห์ อ, อ, อนุเคราะห์โลกแต่สิ่งที่คาดไปถึงวันหนึ่งคาดไม่ถึงคือในคือพระเถระท่านเขาไปนั่งในบ้านเขาพอเข้าไปนั่งในบ้านเขา นายช่างแก้วที่เป็นพ่อบ้านก็ไปทำอาหารทำอาหารเป็นเนื้อแต่นี้ลูกน้องมาจากในวังของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเขาเอาแก้วมาไอ้คล้ายกับเพชรมานะ่ะเพชรนินจินดานนะเอามาให้ในายช่างมาจิรไน ทีนี้เขาก็เรียกนายช่างอยู่ไหมพระเทล่ท่านก็นั่งอยู่ในห้องตามลําพังทางแม่บ้านเขาก็ไปจัดอาหารในครัวทางพ่อบ้านเขาไปจัดอาหารในครัวพระเทล่าท่านก็นั่งอยู่ทีนี้เขาก็เอาแก้วเอาเพชรลูกนั้นมาให้พระมาให้ในายช่างนายช่างก็เปื้อนด้วยมือเปื้อนด้วยเลือดก็มารับแก้วเม็ดนั้น่ะ พอเจลกลับเสร็จแล้วในช่างแก้วก็วางวางไว้มันก็มีเลือดติดบ้างเพราะมันมือมือเปื้อนก็วางไว้แต่ในบ้านมีนกกะเรียนตัวหนึ่งเดินโตโ ต, โตเต๋อหากินอยู่ในบ้านผอเลี้ยงนกกะเรียนไว้ตัวหนึ่งเทนี้พอวางเสร็จแล้วในช่างแก้วก็ไปทําอาหารต่อกับพระเทระท่านก็นั่งอยู่ที่นั่น นั่งเห็นอยู่กในช่างแก้วแบบพระละเป็นท่านก็เป็นพระที่เคารพนับถือก็ไม่เป็นไรนแหละตอนนี้นกกระเรียนตัว น, นั้นก็เดินไปเดินมาเมื่อก็ไปเห็นแก้วเม็ดนั้นอ่ะมันก็มองแล้วมองอีกมันก็มีเล็ดมีเลือดด้วยมันก็มีถูกกลิ่นคาวด้วยช่านเอมันก็เลยคาบก๊บเกินกึกเข้าไปในลําเกินเข้าไปในคอมันตอนนี้ พระเทระตายทำยังไงนกกรเรียนตัวนี้มันกินแก้วแล้วกินเพชรของพระเจ้าแผ่นดินล่ะถ้าเราจะบอกว่านกกรเรียนตัวนี้กินแก้วนะอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะข่าในช่างเอ่อในช่างแก้วเขก็จะต้องข่าข่านกกรเรียนเพื่อแหวกเอาท้องในแก้วของมันไอ้ท้องพวกแก้วเนี่ยท้องของมัน เพราะว่าเพชรเม็ดนั้นมันราคาแพงมากเลยจะไปหายได้ยังไงแต่ตามไม่จริงพันพระธีรก็สะเเผาไปสักหน่อยถ้าหลวงพ่อว่าถ้ายุคนี้สมัยนี้นะคือทำความเข้าใจกันในช่างแก้วซะก่อนว่าอย่าไปฆ่ามานะ้ำผิดศนะีลนะหลวงพ่อจะเป็นคนดูแลเองเอาให้มันกินยาถ่ายยาระบายออกมานะจากนั้นเราก็ยังค่อยเอาออกมาให้ได้ลักษณะเนี้ มันคงจะได้เพราะถ่ายกินเข้าไปไมัต้องถ่ายถ้ากินยาถ่ายเข้าไปให้มันระบายออกมาดูแบบใกล้ชิดเหมือนนั่นแหละแต่เด็พันธุ์ก็คงจะขาดไปถึงเหมือนกันทีนี้พอนายช่างแก้วเขามาท่าก็ถามเอา้าเพชรเม็ดนั้นไปไหนพระเทละก็ไม่พูดพราะเห็นแล้วว่าเพชรเม็ดนั้นนกกระเรียนมันกินเข้าไปแล้วจากนั้นพระเทล่ท่านก็ไม่พูดไม่พูดเอา้าไปที่ไหนเพชรเม็ดนี้ ไว้บังไว้ที่นี่พระคุณท่านเห็นไหมพันก็ไม่พูดเอาท่านงันกับพระเทระต้องเอาสิถ้าไม่มีใครอยู่ในเนี้ยท่านต้องเอาเพชรเม็ดนี้ใช่ไหมท่านก็ไม่พูดพที่สุก็เลยไปพูดกับแม่บ้านแม่บ้านโอ้พระเทระต้องเอาเพชรเม็ดโอ้อยจะไปพูดจางงั้นท่านมาในบ้านของเราเนี่ยเราเห็นแล้วอากับกิริยาของท่านไม่มีเลยที่จะไป ทำอย่างนั้นคงจะไม่ใช่หรืมั้งหลงที่ไว้ก็ไม่ผมไว้ที่นั่นผลที่สุดก็เลยสองตายายก็ไปปรึกษากันไม่รู้จะเอาอยัางไงยายเมียน่ยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งผัวไม่ได้ต้องจัดการกับพระเทระไม่ไม่มีใครอยู่ในห้องตองเดียวเนีะ่ะมันต้องขโมยพเพชรเม็ดนี้เน่ยของมีราคาขนาดนี่บอกเอ้ยถ้ามันพระเทระเอาจริงๆพวกเราไปเป็น ถ้ารับใช้พระเจ้าเป็นดินจะดีกว่าไม่ได้เพชรเมร็ดนี้ถึงเราจะไปเป็นข้ามันก็ยังไม่คุ้มค่าเพชรเมร็ดนี้เพชรช น, นิดละหาราคาไม่ได้ราคาแพงมากเนี่ยผัวก็ดันทุลังอยู่อย่างเดียวไม่ยอมเมียแต่ว่าเมียในยอมเออเคารพพระเถระอย่างมากแต่ผัวไม่ยอมออต้องจัดการให้ไหนผัวในสื่อกับผัวก็เลยหาเชือกมามาพันหัวพระเถระเลยเอามา พันพันพันเหนกนเลไอ้พันนั่นก็ขันเสนะหาไม้สอนก็ขันขันเสนะไอ้พอขันเสนอพระเทลา่าผมโหหัวจะแตกใช่ไหมล่ะบอกนะว่าอยู่ไหนแก้วใบนั้นแก้วลูกนั้นไปไหนไอ้แก้วเพชรเม็ดนั้นอยู่ไหนพระเทลา่าเขไม่บอกไม่พูดตอนนี้จนหัวแตกเหมือนนจะพอขันเข้าไปอย่างแรงเป็นแผลพอแผลเลือดแตกก็โจ๊ตโอกนกกระเรียน มันถูกกิ่นเลือดใช่ไหมมันก็วิ่งโจ้กมันมันจะกินเลือดนายช่างแก้วกําลังโมโหจัดอยู่ในขณะที่ขันสนบหัวพระเทล่เตะอย่างแรงว่างั้นเตะนกกรเรียนกระเด็นปั้งเล็วเงี้ยชักงกังกงกังากงากงกงกลางงักเลยทีนี้พระเทล่าไอ้เหคงจะตายแล้วมั้งเลยบอกว่านายช่างเดียเด๋ยวเดี๋ยวปล่อยซะ ก, ก่อนเดี๋ยวเดีย ว, ยวไปสังเกตดูซะ ก, ก่อนนกกรเรียนตายไหม ท่านไม่ต้องพูดท่านก็จะตายเหมือนนกกะเรียนนั่นแหละวันไม่เดี๋ยวคายคายก่อนท่านพราหานท่านท่าไม่โกรธเดะอะไรเป็นอะไรท่านใจดีเดอท่านมีเหตุผลนวท่านเจ็บท่านก็ว่เจ็บท่านก็ถามไปดูไปดูซะก่อนพอไปดูไปพิกดูตายตายพระเถระก็เลยบอกว่าในช่างแก้วนกกะเรียนตัวนี้แหละกินแก้วของคุณ แต่จะให้อัตามาบอกอัตามาไม่บอกเพราะว่าถ้าบอกไปคุณก็ต้องฆ่าน ก, กเกรียนตัวนี้เรายอมเสียสละชีวิตของเราที่จะให้ศีลเหล่าข่าฟังด้สิท่านรักศีลยิ่งกว่าชีวิตของท่านพระหันเคารพในศีลเคารพในสิก ข, ขาบทวินัยขนาดนั้นแหละไม่ยอมกระทั่งบอกวันในให้ว่า แก้วอยู่ในท้องของนกกระเรียนจนนกกระเรียนตายซะก่อนท่านจึงได้บอกว่านกกระเรียนตัวนี้กินแก้วเข้าไปในท้องของของมันจากนั้นนายช่างเลยรีบแวะออกไปก็เห็นแก้วใบนั้นจริงๆถ้าก็ขอโทดขอถกโพยขอยอมรับสรรบบารภาพภาพขอให้พระเทระมาฉันอยู่ดั่งเดิมครอบครัวเราจะรักเคารพอย่างเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง พระเทเราก็บอกว่าขอให้พระเทเรอดโทษให้ด้วยพระเทเรก็บอกว่าไม่มีโทษทั้งเราทั้งทั้งพวกยาว้ามันเป็นเนี้ยเป็นวิบากเป็นวิบากกรรมเก่าเป็นวิบากกรรมไม่มีโทษเราให้อภัยอยู่แล้วขอพระเถเรมาฉันที่บ้านพระเทเรก็เลยบอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตของเราเราจะไม่รับ เราจะไม่เข้ามาในชายคาของมนุษย์ผู้ใดทั้งหมดเราจะบินธบาด้วยปีแข่งของเราจนตลอดถึงวันตายเราจะไม่ยอมเข้าในชายคาของท่านผู้ใดทั้งหมดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่แต่นั้นคือความเด็ดขาดของพระอารหันต์ท่านก็ไม่บินท่านก็ไม่เข้าไปบินธบในที่ไหนต่อไปอีก แต่ชีวิตของท่านเขาไม่นานเพราะการเจ็บปวดในครั้งนี้ใครๆว่าการขันสนอในศีรษะของท่านในครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงจนท่านไม่สามารถที่จะทรงทาตขันไปได้นานจากนั้นท่านก็ปรินิพานพระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านติดสะไปฉันในบ้านในช่างแก้วต่อมาไม่นานท่านก็ น, นิพนธนก็ตายไม่รู้ว่าท่านจะไปที่ไหนพระสงฆ์ถามพระพุทธเจ้าบอกว่า คนคติของสี่อย่างไปคนละทางกันท่านติดสะตายไปแล้วเข้าสู่นิพพานปรินิพพานแล้วไม่มาเกิดไม่ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกท่านนิพพานไปแล้วชวนนกส่วนนกเกเรียนที่ตายไปมาเกิดเป็นลูกของนายช่างแก้วส่วนเมียนายช่างแก้วตายและไปสู่สวรรค์ แต่ส่วนตัวนายช่างแก้วตายแล้วไปตกนรกกติของคนสี่อย่างไปคนละทิศละทางกันอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านตัดบอกกติของคนทํากล้ำชั่วในต่างกันเอานกกรเรียนท่านนั้นค่ๆมันตายไปแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็ห่วงอะไรในบ้านหลังนั้นอยู่มันก็มาเกิดในท้องของเมียนายช่างแก้ว เป็นลูกของนายช่างแก้วแต่ชวนนายช่างแก้วเองได้ทํากรรมหนักโดยที่ขาดการพินิษพิจารณายอมเสียสละทุกอย่างจ้ะก็เป็นบุญกุศลแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นเบียดเบีย น, ย น, ยนพระอรหันต์บาปกรรมตัวนี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันส่วนเมียนายช่างแก้วเป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยน ยอมสรภาพเคารพนับถือในท่านพระติสะยอมเป็นทาสดีกว่ายอมตายดีกว่าไม่ควรจะเบียดเบียนพระเทระอันนี้ ค, คือจิตใจเป็นกุศลก็ไปสู่สวรรค์ที่ยกนิทานหรือว่าชารดหรือว่าธรรมพทักถฐาที่มาสาธกให้พวกเราได้ยินได้ฟังในเรื่องนี้ก็ให้เป็นเครื่องสำเนียกสำนึกว่า พะระอรหันารพบในสินยิ่งกว่าชีวิตผู้ทท่ทที่ได้ธรรมะได้สำเร็จเป็นพะระอรหันต์แล้วยิ่งรักสินยิ่งกว่าชีวิตไม่ใช่ว่าได้สำเร็จธรรมแล้วปล่อยป่ะละเลยไม่สนใจอะไรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นผู้ที่ได้ธรรมในจิตใจแล้วยิ่งเคารพใน สิทธิขาบทวินัยอย่างเข้มงวดกวดขันจะไม่ล่วงละเมิดในพระวินัยปนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่างน้อยก็ยึดแนวแถวของผู้มีธรรมให้พยายามรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยอยู่ให้สำรวมในสินเมื่อเป็นผู้มีสินบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วจะทำสมาธิ กำหนดจิตใจเขาจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะไม่มีการไม่มีวิตกกังวลในการกระทําทางกายทางวาจาของเราใจของเรากายวาจาของเราเป็นผู้หมดจดไม่ได้ทํากรรมชั่วไม่ได้ไม่ทํากรรมอะไรที่มันผิดจิตเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งอื จิตสงบเป็นหนึ่งแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาที่แท้จริงเกิดปัญญาออกจากสมาธิให้เขาว่าทําจิตให้สงบซะก่อนเนี่ยภาวนามาย์ปัญญาปัญญาเกิดจากสมาธิมาพิจารณาทางปัญญาเห็นตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนอย่างที่ผมได้พูดเบื้องต้นว่าปัญญากระสัญญาปัญญาเกิดจาก การพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงกับสัญญาสังขารมันต่างกันมันเทียบกันไม่ติดเหมือนลึกถึงความตายอย่างนี้นถ้าราลึกถึงความตายทำด่านมันกับเบาเเหมือนเมืนแต่เรากําหนดดูให้ชัดเจนว่าเราเนี่ยจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งกําหนดดูให้ทีวิธีการของเราที่จะต้องตายตายแล้วไปยังไงอยู่ที่ไหนคล้ายๆกับมันอย่างลึกเข้าสู่ก้น บึงของหัวใจคุณบึงของหัวใจว่างั้นแต่ใครว่าส่วนลึกของหัวใจมันจะมีความสรดสังเวชใจอย่างมากเกิดปัญญาอันลึกซึ้งว่าเราควรจะทำอย่างไรในเมื่อมรณะภัยเข้ามาถึงแล้วจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่างไรควรจะพิจารณาอย่างไรจึงจะเอา ตัวรอดในการเป็นอยู่ของเรานี่แหละปัญญาตรงนี้คือปัญญาที่สิทธะท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นปัญญาที่ส่วนลึกของใจของท่านจริงๆจนอยู่ไม่ได้ว่างั้นแหละความสุขที่มีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะทัดทานความรู้อันนี้ได้เพราะความรู้อันนี้ มันเป็นความรู้ด้วยปัญญาเห็นจริงจริ ง, รงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นปัญญาของผู้ที่จะตัดกิเลสเนี่ยกับปัญญาสามัญชนทั่ ว, วไปมันแตก ต, ต, ต่างกันเพราะนั้นการพิราณาทางด้านปัญญาอย่างที่ได้กล่าวย้ำแล้วย้ำอีกตามแนวแถวขององค์หลวงตากิเลธธรรมกิเลธธรรมกิเลธธรรมที่ท่าน พูดเนะีคือของที่ถูกต้องใสสะอาดกิเลสเป็นเครื่องมัวหมองทำให้จิตใจเศร้าหมองเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูกกิเลสส่วนธรรมนั้นเห็นตามความเป็นจริงจริงที่ถูกต้องเมื่อเห็นตามความเป็นจริงถูกต้องแล้วปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าธรรมะมันมีหลายระดับมีหลายขั้นตอนแต่บางคนบางท่านอาจจะเข้าใจคว้ยขวยว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตา ในเมื่อเป็นอนัตตาแล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักยึดทางจิตใจอันนี้เราต้องแยกให้ออกทํามีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาแล้วจะรักษาสินไปเพื่ออะไรจะทําไปสมาธิไปเพื่ออะไรทําไมไม่พิจารณาให้เป็นอนัตตาปล่อยวางให้มันจบไปเลยแต่ตามไม่จริงสิ่งทั้งหลายทั้งปัวมันเกื้อกูลหนุนกันศินมันหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญา ปัญญาเมื่อเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วปล่อยวางหลุดพ้นจากกิเลสอันนี้เรามาพูดเอาตบ่อปลายปลายสุดนะธรรมะอนัตตาแล้วเอามาตีสินเอาม า, ามาดูถูกสินมันไม่ถูกมันต้องแยกให้ออกสินพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมถ้าเอาพระอภิธรรมไปว่าเป็นธรรมที่สูงสุด สเพยทำมาสเพยสรงคาราอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราในเมื่อไม่ใช่ตัวตนของเราไม่มีการยึดมั่นถือมั่นแล้วอ่เราจะไปประพฤติธปฏธิบัติทำใหมอันนี้ เ, เรื่องพระสูตรพระสูตรเราก็ต้องว่าตามพระสูตรพตระวินัยเราอยู่ในโลกเราก็ต้องทําให้ถูกกับโลกเขาแต่ส่วนใจของเรานั้นต้องรู้จักปล่อยวางอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดคําว่าปล่อยวางปล่อยวางคํำนี้นะี่ย ทำยังไงถ้าเราปล่อยวางซะทุกคนปล่อยวางซะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรจะเกิดขึ้นพราะเรามีลูกมีเมียมีมครอบมีครัวมียศถาบรรดาศักดิ์มีการศึกษาเราจะปล่อยวางหมดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือคําถามของโลกหลวงพ่อให้คําตอบว่าอย่างหลวงพ่อเองเป็นพระ ลวงพ่อเองก็ต้องรับผิดชอบตื่นเช้ามาทำยังไงการมาฉันทำยังไงจนถึงมาอบรมแนะนาสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนอย่างเดียวนี่ยทำยังไงคือทำตามหน้าที่ว่าหน้าที่ของเราเมื่อมาอย่างนี้แล้วแล้วเราควรจะทำยังไงเราจะปล่อยปลาละเลยไม่สนใจกับใครเป็นอนัตตาไปหมดมันก็ไม่ถูกปล่อยวางไปหมดมันก็ไม่ถูก คือหน้าที่ก็คือหน้าที่ต้องทําให้ถูกต้องเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทําหน้าที่อย่างไรเมื่อเราเป็นลูกเราควรจะทําหน้าที่อย่างไงเราเป็นลูกศิษย์เราควรจะทําตัวอย่างไงเราเป็นอาจารย์เราควรทําตัวอย่างไงคือมีหน้าที่ของแต่ละคนให้รู้จักหน้าที่ทําให้ถูกต้องแต่ส่วนใจส่วนลึกของหัวใจแล้วถึงจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม เราต้องคิดปล่อยวางในใจว่าที่เราทนะํานี่ยทั้งหมดเนี่ยแต่แต่เช้าจนเย็นเย็นทำอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ทำตามหน้าที่เราเอาไปด้วยไม่ได้เราตายแล้วจะต้องปล่อยวางจะต้องวางทั้งหมดไม่มีใครที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปได้ซาลุงซาลากุติวัดว า, าศาสนาะเอาไปด้วยไม่ได้ทั้งนั้นเราอย่าไปคิดว่าเราจะเอาไปได้เพราะนั้นเราต้องวางในใจทำไม่ถูกต้องแล้วก็ต้องปล่อยวางในใจพระสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ทำตามหน้าที่นะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำไันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะควรจะปล่อยวางนะอันนี้คือปล่อยวางในจิตใจไม่ใช่ปล่อยวางข้างนอกให้ปล่อยวางในใจถ้าคนมีการปล่อยวางอย่างนี้แล้วกิเลสราคะโทสะโมหะมันจะไม่มาเหยียบยำ่ำทำลายจิตใจนะคนรู้จักปล่อยรู้จักวางอะไรก็ได้ที่เป็นธรรมยืดหยุ่นแต่ถ้าไม่เป็นธรรมแล้วไม่ได้เพราะมันไม่ถูก ต้องทำให้ถูกต้องแต่ถ้าว่าสิ่งที่ถูกต้องแล้ว อ, อยังไงก็ได้ออผิดใจเราบ้างก็ได้ไม่เป็นไรหยืดหยุ่นออใจท่านใจเราเ อ, อ, อันนี้คือคนรู้จักปล่อยวางโกรธคนก็ไม่โกรธมากโลภก็ไม่โลภมากรักใครก็ไม่รักมากเพราะไปรักไปเพื่ออะไรไต้องการ สิ่งไหนก็ยศถาบรรดาศักดิออ์ก็รู้จักเพียงพอถ้ามีพัญญาสามีอะไรก็ตามก็รู้จักไปอีกสักวันหนึ่งจะต้องพัดผากกันแน่นอนไม่ต้องสงสัย เ, ออเพราะนั้นสิ่งที่ขณะที่มีชีวิตอยู่ทําให้ถูกต้องสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งนั้นให้ถูกต้องให้ดีที่สุดเออเมื่อเราเป็นหมอก็เป็นหมอให้ดีที่สุด เมื่อนหน้าที่การงานงเมื่อเราได้ทาก็ทำให้ดีที่สุดในหน้าที่การงานนั้นแต่ถึงจะทำให้ดีที่สุดขนาดไหนก็ตามสิ่งที่เราทำไปนั้นเราเอาไปด้วยไม่ได้จะต้องทิ้งไว้ในโลกทั้งหมดทิ้งไว้ก็คือทิ้งคุณงามความดีไว้เป็นฝักคุณงามความดีไว้ในแผ่นดินแต่ส่วนตัวของเราก็ไปตามลำพังไม่มีใครที่จะเอากระดูกไปด้วยได้ทั้งหมดปล่อยวางทั้งหมด วัดวาศาสนาเตือนชานบ้านช่องยศทามัราศักยามิตรสหายจะต้องปล่อยวางทั้งหมดนี่แหละคําว่าปล่อยวางปล่อยวางคือปล่อยวางในใจไม่ใช่แบบปล่อยวางไม่เอาไหนไม่เอาฐานไม่ใช่อย่างนั้นแบบถ้าปล่อยวางแบบนั้นปล่อยวางแบบโง่แบบปล่อยวางแบบไม่ใช่หลักการปล่อยวางไม่ใช่พุทธศาสนาถ้ามพุทธเจ้าที่ตัสรู้รมแล้วปล่อยวาง อย่างที่นั้นพวกเราคงจะไม่มีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตัดสรูุปทมแล้วท่านยังมาโปรดเทศนาว่าการให้พวกเราได้รับความร่มเย็นผาสุกตลอดมานี่ด้วยพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่ปล่อยวางท่านทําหน้าที่ของท่านดีที่สุดวางาศาสนาไว้ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นพวกเรา ทุกๆท่านทุกๆคนนะนี่เมื่อได้ยินได้ฟังแนวความคิดที่หลวงพ่อได้แนะนำสั่งสอนมาเป็นเวลาหลายวันก็นำไปปฏิบัติประต่อสิ่งไหนที่เกิดประโยชน์ก็พยายามทำให้มากให้ยิ่งขึ้นในเรื่องภาคปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิปัญญาทำจิตให้สงบกำหนดลมหายใจเขาหายใจออกเป็นหลักของกรรมฐาน อยู่ในกรอบของสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมที่เราที่หลวงพ่อสอนก็คือกําหนดลมหายใจเข้าออกก็คือกําหนดกายนั่นเองกายก็คือลมลมก็คือกายไม่หนีออกจากสติปัฏฐานสี่กำหนดลมหายใจเขา้าหายใจออกหายใจเข้าสั่นหายใจออกยาวเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูนะคนเข้ามาเราก็รู้ว่าคนเข้าคนออกเราก็รู้แต่ไม่ต้องตามลมค่อมไม่ต้องตามคนเข้ามาไม่ต้องตามคนลงไป ยืนอยู่ข้างประตูอันนี้ก็เหมือนกันให้กำหนดอยู่ที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้เอ่อไม่ต้องตามลมเข้ามาไม่ต้องไม่ต้องตามลมเข้าไปถึงท้องไม่ต้องตามลมออกไปเบนเสียแต่ว่าทีแรกเรากาหนดใหม่ๆแล้วก็กำหนดมุมสูดหายใจเข้าแรงๆถึงท้องแล้วก็หายใจแรงๆออกให้มันยาวหายใจเข้าหายใจออกสักสามี่ห้าครั้งหครั้งจากนั้น หายสัน้นหายผ่อนเข้าผ่อนผ่อนผ่อนแล้วก็ ก, กำหนดที่ปลายจมูกให้ยืนอยู่ข้างประตูอย่างที่หลวงพ่อพูดนะคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้คนเข้าก็รู้คนออกอออกอร็ออกรไม่ต้องตามคนเข้ามาไม่ต้องตามคนออกไปให้มีสติอยู่เพียงแค่นั้นทำใจให้สบ า, สบายๆทำอารมณให้สบ า, สบายๆไม่ต้องคิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นนะอาตอ น, นี้ไปก็เตรียมนั่งสมาธิต่อ